พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห1อลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สเมษายน2556มีชื่อเรื่องว่าขาดคุณธรรมทำชั่วได้ทุกอย่างวันนี้เป็นวันที่สเมษายน พุทธศักราช 2,556 วันนี้เป็นวันที่จะได้บวชนาคหรือบวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาลูกชายของเบนจะมาดคุณเบนจะมาถหินอ่อนที่คือเป็นลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์ในลูกชายจะบวชภาคฤดูร้อน ก็ดีหลวงพ่อว่าดีถ้าหาว่าเอาลูกหลานในช่วงที่หยุดในการเรียนก็ห้ามาศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาดีกว่าที่จะปล่อยปะละเลยบางคนก็ไปติดหมู่ติดเพื่อนก็ทำให้เสียคู่เสียคนไปมากต่อมากเพราะว่าการคบค้าสมาคมมีเวลาว่างในช่วงนั้น ก็ทำให้เด็กไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายจับกลุ่มกันกระทำให้เสียหายในการในความประพฤติหรือแนวความเชดถ้าว่าเราเอาเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเข้ามาคัดเกลาให้รู้จักศีลรู้จักธรรมบ้างก็จะเป็นผลดีสําหรับลูกหลานของพวกเราอย่างที่พวกเรานั่งอยู่ทางซ้ายมือของหลวงพ่อ อันนี้ก็คือกลุ่มคือกลุ่มนักศึกษาแพทย์มหิดลบวชเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาบวช ท, ทั้งหมดมีอยู่12 12พระใหม่แล้วก็มีเพิ่มอยู่ในวัดของเราอีกสองเป็น14บวชในวันนั้น อันนี้ก็นักศึกษาแพทย์เหล่านี้ที่มาบวชในวัดหลวงพ่อก็เป็นรุ่นที่แปดที่บวชมาติดต่อกันแต่มีปีหนึ่งที่ไปบวชที่อื่นจากนั้นก็บวชตั้งแต่ปีสี่แปดมาบวชอยู่ที่นี่หลวงพ่อก็ให้ความสำคัญคืออบรมถ้าหลวงพ่อไม่อยู่วัดบางวันก็ให้พระพี่เลี้ยง พาทำวัดเย็นแล้วก็เปิดเอ็มพสาของหลวงพ่อให้กับนักศึกษาพาลูกพาหลานเหล่านี้ได้ฟังได้ศึกษาเพราะมีเวลาน้อยเราจะต้องยัดเยียดแนวความคิดของหลักของพุทธศาสนาให้เข้าไปสู่สมองหรือว่าสู่จิตใจของลูกหลานเหล่านี้ให้มากที่สุดเพราะว่าโลกทุกวันนี้ ถ้าหากว่าเราวิ่งไปตามโลกจริงๆมันมีแต่โลกการทามาค้าขายมีแต่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมในจิตใจจะค่อยหมดไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าพวกเราให้มองว่าคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในจิตใจเป็นยังไง อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเดี๋ยวนี้กาลังมีข่าวโด่งรังจากต่างประเทศที่ว่าแพทย์หมอทั้งหลายฆ่าคนป่วยอย่างนี้แหละฆ่าคนป่วยแต่ความแท้จริงนั้นเป็นยังไงเขาจะต้องพิสูจน์กันอีกแต่ถ้าตามไม่จริงถ้าเรามาคิดพิจารณาดูให้ดีถ้าเราไปป่วยในโรงพยาบาลจะหายหรือจะตายเราก็ยังไม่รู้แต่ว่า เราก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลเราพร้อมที่จะให้เรามีเงินคำทรัพย์สมบัติที่จะให้กับโรงพยาบาลแต่แพทย์หมอทั้งหลายเห็นว่าตัวเองน่ยรกลุ่มลังในโรงพยาบาลเขาก็เนี่ยเอายาอะไรให้ค่าหรือว่ามันก็มีวิธีการเาอยอะแยะไปเพราะในโรงพยาบาลก็ยุกยาทั้งหลายผลที่สุดเขาก็บอกว่า เขายังสงสัยว่าจะเข้าค่ายที่จะฆ่าคนทั้งหลายร้อยคนสําหรับอยู่ห้องไอซีเพื่อจะทําห้องให้ว่างฮนะหลวงพ่อได้ยินเพียงแค่นี้หลวงพ่อก็สะดุดใจที่นํามาพูดนี่ก็เพื่อให้เป็นแนวความคิดสําหรับลูกหลานที่เป็นนักศึกษาทั้งหลายสรุปแล้วก็คือคนที่ทําอย่างนั้นก็คือคนที่ขาดคุณธรรมในจิตใจ ถ้าหาว่าคนที่มีคุณธรรมในจิตใจแล้วต่จองทำาต้องนึกย้อดมาหาตัวเองถ้าว่าเราเป็นลักษณะอย่างนั้นเราจะให้เขาทำอย่างนั้นอย่างที่เราทำกับเขาอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเป็นพี่น้องปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราที่รักเคารพเราก็จะไปทาอย่างนั้นกับเขาเมื่อเขามาทำกับเราเรามีความรู้สึกอย่างไรอย่างนี้เป็นต้น ที่หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าโรงพยาบาลเหมือนกับอู่อู่ซ่อมรถถ้าว่าคนเจ้าของอู่เป็นคนโลกไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในใจิตใจหนักไปทางโลกโลคอยากจะได้อยู่ตลอดอยากอยากอยากในจิตใจอยู่ตลอดพอเห็นรถเข้ามาออพอ เจ้าของเขาไม่มาดูมาเฝ้าก็โอ้รถคันนี้จะต้องเอ า, อ, าอะไหล่ตัวนี้ถอดออกมาแล้วไปใส่รถคันนั้นรถคันนั้นเอามาเปลี่ยนกระทำให้รถคันที่ใหม่ของเขาเสื่อมคุณภาพลงได้แล้วก็เอารถเครื่องเก่ามาใส่อะไหล่มาใส่รถอีกคันหนึ่งจะลอดแล้วก็คือถอดอะไหล่คือทำรถที่อู่ซ่อม รถที่เรามีคุณค่าอยู่แล้วเข้าไปซ่อมในอู่นั้นทำให้รถของเราเสียหายนี่ก็เหมือนกันถ้าว่าเราคนป่วยที่เข้าไปรักษาทากหมอมีแต่ความโลภเป็นหมอพาณิชย์มีแต่คิดเหลืองเงินทั้งนั้นเห็นคนป่วยเอาตรวจคนหนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วมหาเศรษฐีจะเอาเท่าไหร่ไตข้างหนึ่งจะเอาเท่าไหร่ จะเอากี่ล้านไอผลที่สุดเอาหึงคนหนึ่งเข้าไปเอาจําเป็นต้องผ่าท้องนะผ่าท้องเอาไตาเขาออกมาก็ไปเปลี่ยนให้เศรษฐีเข้ามาคนนั้นเข้ามาไอ้คนที่ป่วยนี่ก็ไม่รู้ผ่าตัดไง เ, เวลาเขาผ่าลำไส้ไล่ไส้ติง่งอะไรก็หวากันไปผลที่สุดก็ได้แหละทีน้เออเอาไตาไปข้างหนึ่งอันนี้สรุปแล้วก็คือเป็นไปได้ทั้งหมด ถ้าหมอขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมถ้ามาคิดดูใช่ว่าเมื่อเขาทํากับเราอย่างนั้นกับพ่อแม่พี่น้องของเราอย่างนั้นที่เหมือนกับเราทําเราจะมีความรู้สึกอย่างไร น, นี่แหละอันนี้คือจริยธรรมเลยใช่ไหมคือความประพฤติหรือความถูกต้องเพื่อความเป็นธรรมสิ่งเหล่านี้ในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วท่านจะบอกกล่าวเย็นเน้นย้ําให้พวกเราสํานึก ในความถูกต้องเขาเราเขาเราเขาเร า, เ า, เราอยู่เสมออย่างสินห้าของพระพุทธเจ้าถ้าเรามาพิจารณาดูให้ดีแล้วเขาเรานะอย่าฆ่ากันอย่าฆ่าสัตว์ใช่เราไปฆ่าเขาไม่เป็นอะไรเพราะเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อไรเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงญาติโกโหติกาของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเขามาทำกับเราเช่นนั้นนะ อาทิตนาทานก็เหมือนกันกาเมสุมิจฉาจารก็เหมือนกันมุสาก็เหมือนกันแต่สุรานี่เป็นภาพรวมเมสุราเมระยะการดื่มสุราเข้าไปแล้วเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อประมาทคือค่เยๆหมเมาของสุราเข้าไปแล้วสามารถที่จะทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะคนขาดสติอันนี้คือภาพรวมแต่สินสี่ข้อนั้นคือจริยธรรมคือความประพฤติเขาเรา ถ้าเราไปโกหกเขาเอีก็ไม่เป็นไรเพราะเราไปโกหกเขาแต่เมื่อเขามาโกหกเราเมื่ อ, อไหรเ่เมื่อนั้นละ่ะเราจะเสียความรู้สึกอย่างมากนี่แหละสรุปแล้วก็คือศีลของพระพุทธเจา้าศีลธรรมของพระพุทธศาสนาเขาเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเวลาเราจะไปทําอะไรให้กับเขา เ, เราจะไปด่าเขาเด้วยความไม่เป็นจริงลึกไปทําอะไรกับเขาที่ไม่ถูกต้อง จะคิดอะไรที่จะเบียดเบียนเขาเป็นใทางอากุศลเราต้องคิดถึงเราด้วยถ้าเขาคนนั้นคิดกับเราอย่างที่เราคิดเนี่ย أ, เราจะมีความรู้สึกยังไงในเมื่อเขามาทำกับเราอย่างที่เราไปทำกับให้เขาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกยังไงเมื่อเราไปพูดไปไปดา่าเขาในเมื่อเขามาดา่าเราเหมือนกับเราไปดา่าเขาเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไร นี่แหละคือจริยธรรมคือความประพฤติในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนไว้ตั้งแต่ตั้งพุทธศาสนาตั้งแต่ทีแรกอิิปิโสภคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธ ว, วิชาวิชาคือความรู้จารณะสัมปันโนคือความประพฤติสุขโตทำผู้ใดปฏิบัติได้เป็นสุขโตโลก เป็นสุขโตเป็นผู้ไปดีอยู่ดีไปดีมีความสุขโลกวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลก น, ะนี่แหละเพราะพุทธเจ้าพุทธศาสนาของเราท่านสอนไว้แล้วอย่างนี้แต่ทุกวันนี้ที่ฝรั่งประดิษฐ์คำพูดขึ้นมาว่าไอค q ว q อคฮเอเป็นยังไงกับเหมือนกัน ถ้าจะเปรียบเทียบกั บ, กบวิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติเนี่ยนะคนที่มี i อคิสูงคือความรู้ความฉลาดไอคิอ็คือความรับผิดชอบนะเนี่ยสรุปแล้วก็คือนี่แหละวิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติคำนี้มันเป็นมาก่อนที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วไอคิวไคเอ็มคิเกิดก่อนแล้วนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะฝากไว้กับ ลูกหลานชุมชนทุกหมู่เหล่าสิ่งที่ไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำในสิ่งนั้นพยายามให้เอาศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจเพราะว่าในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วตายแล้วไม่สูญคานี้ให้ฟังเอาไว้ตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกกรรมคือการกระทำถ้าผู้ใดทากรรมอันไหนไม่ดีเอาไว้กรรมนั้นจะตามสนองอันนี้คือหลัก ทำคำสอนพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาไปดูแล้วเห็นแล้วรู้แล้วจึงนำมาบอกกล่าวเป็นพระธรรมคำสอน ท, ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ที่โคนต้นโพนะตอนเที่ยงคืนนะปุบจุดตูปปาตยานนะนะการจุติการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายมองดูแล้วว่าคนคนนี้ทำไมคนเกิดมาทำไมไม่เหมือนกัน ทำไมต่างกันทำไมโง่ทำไมฉลาดทำไมรวยทำไมจนเออทำไมออพิก่งพิการอย่างนี้ทำไมคนเกิดมาทำไมไม่เหมือนกันเออพอพุทธายาวท่านมองดูท่านรู้ท่านเห็นว่ากรรมคือการกระทำถ้าผู้ใดทำกรรมไม่ดีเอาไว้กรรมนั้นจับตามสนองเะกรรมนั่นแหละจะเป็นผู้เป็นผู้พานำเกือบเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาพบนี้ชาตินี้ขี้เกียจ ในการทามาหาเลี้ยงชีพขี้เกียจทำมาค้าขายมีแต่เกิดขึ้นมาแล้วก็ขี้เกียจเรีเยนหนังสืออีกต่างหากคนนั้นจะเจริญรุ่งเรืองจะเป็นผู้มีความรู้ความฉลาดมีความสามารถเป็นผู้ร่ำรวยได้อย่างไรเพราะแหลรเพราะกรรมคือการกระทาเขาทำมาไม่ดีแต่คน ไ, ได้เกิดมาแล้วก็เป็นผู้หมั่นขยันเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาด้วย เป็นคนดีตลอดแล้วกัการทามาหาเลี้ยงชีพขยันในการทามาหาเลี้ยงชีพไม่ต้องพูดถึงนะกรรมดีเขาเขาทำแล้วกรรมดีตอนนั้นจะจ ะ, จะจะตามสนองพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญได้นี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะมีอะไรเป็นจิทประสาทไม่ใช่กรรมคือการกระทาถ้าตัวเองทาดีแล้วจะชั่วได้ยังไง ถ้าตัวเองทำชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรนักกรรมคือการกระทาในหลักของพุทธศาสนาเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านลูกหลานทุกคนนะวันนี้ก็มาสร้างคุณงามความดีมาบวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาถ้าว่าพวกลูกหลานของเราเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีแล้วสมบัติประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็มีแต่ความพัฒน์ก เพราะไรเพราะทรัพยากรของเราเป็นคนดีปลูกฝังไว้ดีแต่ถ้าว่าลูกหลานของเรามีแต่กินเหล้าเมายาสุรานาลียาบ้ายาหมาเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนกันน่น่ะมีแต่คนเกเรมีแต่คนชั่วประเทศชาติบ้านเมืองพวกเราจะมอบหมายให้กับใครจะเป็นผู้ดูแลต่อไปเพราะลูกหลานของเราทรัพยากรของเราที่ จะดูแลนั้นะไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมที่ดีเพราะฉะนั้นลูกที่พวกเรามานี่ยก็คือเกื้อกูลหนุนกันส่งเสริมกันอลูกหลานผู้ใดมาบวชในพระพุทธศาสนาเออยกมือให้แอบยินดีพอใจสนับสนุนผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอย่างนี้แหละถูกต้องถ้าคนไหนที่ทําไม่ดีก็เออเอาถึงจะดูถูกเกลียดยามประนามก็ พ น, นา ม, มากขึ้นไปก็ไม่ได้อย่างว่าเหมือนกันนั่นแหะมีแต่ตักเตือนอย่าทํานะลูกหลานนะทำอย่างนั้นเสียหายนะมันไม่ถูกต้องนะพ่อแม่เสียหายเสียหน้าเสียตานะแล้วก็ตัวเองอนาคตของเราเป็นยังไงไม่ได้คิดถึงอนาคตตัวเองบ้างหรือเนี่ยแหละสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องได้บอกกล่าวตักเตือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงกรานต์แต่ละปีะพวกเราฟังเลยสิคนในชาติตายไปเท่าไหร่ เตือนแล้วบอกแล้วกล่าวแล้วก็ยังไม่ฟังกันแต่พอจากนั้นออกมาก็มีเหตุขึ้นมาก็มิจะเสียใจท่านเองสรุปแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าตัวเองไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักเรายิ่งกว่าตัวของเราถ้าของเราไม่รักเราแล้วนะพ่อแม่พี่น้องจะทํำยังไงได้เอเมื่อตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วหัวนอกพื้นลงไปแล้วกันจะทํำยังไง แล้วก็ตายก็ไม่ตายหายก็ไปหายโตโ ต, ตเต๋อหนึ่เป็นประสาทอีกต่างหากทีนี่ใครจะไปเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงก็ไม่ไหวพ่อแม่ก็ตายไปให้พี่น้องเลี้ยงพี่น้องเลี้ยงก็ไม่ไหวอีกทีนี่ผลที่สุดเป็นยังไงได้คิดไหมในจุดนั้นถ้าคิดดูจุดนั้นให้ดีแล้วนั่นแหละจะทําสิ่งไหนต้องคิดอนาคตของตนเองอย่างนางวิสาขาเนี่ยมหาอุบาสิกาลูกศิษย์พระพุทธเจา้าท่านพุ่ง มีปัญญาเ่ท่านพาบริวารไปอาบน้ำในแม่น้ำาบริวารทั้งห้าร้อยพอขึ้นมาจากฝั่งน้ำฝนก็เริ่มตกเลยพอตรงตกใส่ ช, ดชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกน่ ก, ก็กลัวฝนฝนตกเชื่อผ้าเปียกใช่บริวารทั้งห้าร้อยวิ่งเนีวิ่งไปหาที่กำบังไปเข้าไปศาลาแต่นางวิสาขาในี่เดินชยเ ไม่วิ่งบริวารวิ่งหมดแต่นางวิสาขานเดินเฉยเดินเข้าไปแบบสํารวมระวังพวกพราหมณ์ทั้งหลายเขาเห็นผู้หญิงคนนี้ทําไมทําไมเดินช้าเดินเฉยเฉยเฉยแฉอย่างนี้ไอ้พวกพราหมณ์ที่จะไปหาลูกสะพ้ายนะผู้ตระกูลเศรษฐีเหมือนกันแล้วก็ถามมาเอาแม่เจ้าทําไมลูกน้องบริวารวิ่งไปหมดแต่ท่าน แต่คุณทำไมเดินแบบถ อ, อดนองมาอย่างไงนางวิสาขาบอกว่าที่ฉันเดินอย่างนี้เสื้อผ้าเปียกไม่เป็นไรมันแห้งได้มันเปื้อนก็ซักออกได้แต่ถ้าหากว่าฉันวิ่งมาเนี่ยวิ่งมาตามบริวารเนี่ยไปพลาดหกล้มซะล้มลงไปขาหักแขนหักนิ้วหักหัวนอกพื้นซะแล้วใครอยากจะได้ลูกจะไพลขาหักแขนหักแหะ ต้องลดคุณค่าลดคุณภาพลงทันทีเพราะนั้นดิฉันมองมองดูแล้วว่าการวิ่งน่ไม่เป็นผลดีที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของดิฉันดิฉันจะต้องไปสู่ตระกูลสามีอยู่แล้วเพราะดิฉันเป็นตระกูลที่ใหญ่เพราะนั้นการที่จะทาสิ่งไหนก็ตามฉันต้องรอบคอบฉันต้องคิดให้ดีนะ เห็นไหมเนี่ยนางวิสาขาอายุเพียงสิบหกปีท่านเองเขายังมีคิดถึงอนาคตของเขาแต่ถ้าว่าเราเดินวิ่งออกไปทีนี่ยไปหกล้มแขนหักไขอยากใจได้ทุกสะพายแขนหักแขนงอนะสมัยก่อนก็ริงไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้ค่อยอย่างชั่วนะพอแขนหักเขาก็ยังดึงยังดามนะยังอะไรให้ปกติได้สมัยก่อนมันหักแล้วมันหักเลยแขนงอไปเลยแขนบิดไปเลยนะ อก็เสียบุคล็กไปทั้งชาติเลยเธอเนี่ยพ่อนั่นะ น, น่นางวิสาขาท่านคิดไกลนี่พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทุกทั้งหลายก็เหมือนกันหรือจะขีม่มอเตอร์ไซค์หรจะขี่ที่ไหนอะไรก็ตามต้องคิดตัวให้ดีอย่าไปทำอะไรจนจะทำให้จนเองพิกกงพิการทางอวัยว ะ, ะผลเนื้อชุดนะใครอย่าเป็นผู้รับผิดชอบเรายิ่งกว่าตัวของเรา ถ้าว่าเราไม่รับผิดชอบเพราะไม่รักเราแล้วจะให้คนอื่นรักเรายิ่งกว่าเราน่มันยากนาฮะเปนให้ลูกหลานทั้งหลายได้คิดนะตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร